มองเห็นน้ำหยดลงบนใบบัวมีนานก็สั่นระรัวกลิ้งตัวตกแตกกระจายใบบัวไม่รับซึมซับน้ำจึงเลื่อนไหลกลิ้งแล้วตกแตกไปไม่มีเหลือในใบบัวแม้ฝนจะหล่นจากฟ้าลงมาระรัว บบัวไ ม, ม่มีวันเต็มถึงฝนจะซ้ำกระนำจนอิ่มเอิอน้ำก็ไม่มีเต็มบนใบบัวไปได้รอกน้ำ ดังจิตของพระราหันผู้คนเหมือนใบบัวไม่หุ้มสายชนป่าฝลกิเลสกามาเป็นจิตวิมุตหลุดพ้นแจ้งจริงราสมมุติ น, นานามีกลาหานมากรอบไปหลวงตามหาบัวท่านมีธรรมครองใจเหมือนใบบัวทุบใบนาม ขึคนข้งก็องกิเลสเปรียบดังหยดน้ำที่ฉ่ำนองพร ำ, ำซ้ำศาสหาดบึงน้องมิรื้อจะนองได้บนใบบัวมองเห็นนา้า หยดลงบนใบบัวมีนานก็สันระรัวกลิ้งตัวตกแตกกระจายใบบัวไม่รับซึ่งชับน้ําจึงเลื่อนไายกลิ้งแล้วตกแตกไปไม่มีเหลือใ น, นใบบัวแม้ฝนจะหล่นจากฟ้าลงมาระรัวโปรยเม็ดมามืดมัวใบบัวไม่มีวันเต็ม ถึงฝนจะตามกระนำจนอิ่มเอมน้ำก็ไม่มีเต็มบนใบบัวไปได้รอกนาะดังจิตของพระราหารันบุคคลเหมือนใบบัว ว่าไม่อุ้มสายชนว่าปนกิเลสกามาเป็นติตวิมุตหลุดพ้นแต้งจริงราสมมุตินาน า, นามีกล้าหาญมาครอบไปลวงตามหาบัวท่านมีธรรมครองใจเหมือนใบบัวทุกใบานามไม่อาจซึมข้างกองกิเลสเปรียบ ด, ดัง หยดน้ำที่ชำนองพร ำ, ำซ้ำศาสหาบเบืงน้องมีหือจะนองได้บนใบบู